ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนออาริมกักมีองแปดประการในตอนที่ว่าด้วยสัจจะปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยอาริยสัจโดยตามปกติแล้วเราจะเจออาริมักเนี่ยอยู่บ่อยๆ เพราะว่าคำสอนในส่วนที่สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องของอธิยมักล้วนๆแต่ว่าทรงจะแม่แสดงไว้โดยประยายต่างๆในที่นี้ก็เน้นไปที่ความเป็นอเรมักเราได้พูดมาเรื่องสมาธิธิคือปัญญาเห็นชอบได้แะก่เห็นอริยสัจว์4และสังมาสังกปะ ความดำริชอบคือการดำริออกจากการรมดำริในอันไม่พยาบาทและดำริในการไม่เบียดเบียนซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงถ้าสมาธิกับสมาสังกปะก็สมบูรณ์ก็แสดงว่าอย่างอื่นก็สมบูรณ์หมดแล้วเนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนของปัญญาสิกขา ตามโครงสร้างก็ทรงเรียงเป็นศีลสมาธิปัญญาเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิในกรณีของนาเดียมักจะเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนในข้อต่อไปเป็นส่วนของศีลสิกขาประกอบด้วยสมาวาจาสมากมันตะสมาวายามะ ไม่ใช่คือสมาวิจาสมากรรมันตะแล้วก็สมาชีวะก็รวมแล้วก็เป็นส่วนของศีลสิกขาเราเห็นว่าถ้าเรียงแบบใจสิกขาก็จะเอาสมาครรมันตะมาไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นสมาวิจาแต่ว่าในที่นี้ทรงเอาสมาวิจาขึ้นก่อน ได้แก่การเจราจาชอบอซึ่งกรอบโดยพื้นฐานจิตเนี่ยคือเมตเรียกว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่เกิดจากฐานจิตที่กรอบในเมตตาในผู้รับฟังหมายความว่าเราจะสื่อสารโดยวิธีใดก็ตามสื่อสารทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางสนทนาการหรือทางโทรศัพท์หรือทางเอกสารต่างๆ เราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงคือบางครั้งในการพูดถึง่นมาการประรบถึงคนใดคนหนึ่งหรือเขียนถึงคนใดคนหนึ่งโดยเขาเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกที่ดีคำพูดก็อาจจะเป็นวจีทุจริตได้ แต่นั้นโดยพื้นฐานแล้วก็จะเน้นไปที่เมตตาวาจาก็เป็นฐานจิตของผู้พูดวาจานั้นก็เปล่งมาจากจิตที่กรอบด้วยเมตตาเวลาทรงจำแนแสดงไว้ในปริยายต่างๆเราเห็นว่าอาจจะแตกต่างกันโดยภาษาที่ทรงใช้เช่นในอภัยราช ก, กุมารสูตร ในมัชชิมานิกายทรงจำแนกแสดงประเภทวาจาที่คนเขาพูดกันในโลกเนี่ยมันมีหกลักษณะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองจะรับสั่งอยู่สองลักษณะลักษณะแรกก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจแต่ก็ทรงรู้กาลาเทศะที่จะพูดถ้อยคำเช่นนั้น โดยมองเป็นที่ตัวประโยชน์ซึ่งผู้ฟังจะได้รับเป็นประการสำคัญอีกอย่างหนึง่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจตรงก็สรงรู้การละเทศะที่จะรับสัง่งวาจาเช่นนั้นซึ่งแน่นอนวาจาที่เป็นจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามเรื่องนั้นก็จะต้อง สอดรับกําหลักของวจีสุจริตทั้งสประการวันเวลาส่งแสดงในกรอบของวจีสุจริตจะเหมือนกันทุกแห่งคืออย่างที่บอกไ ว, ไว้แล้วว่ามันเป็นส่วนของศีลสิกขาผลจะพูดระดับการงดเว้นซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นของการกระทําความดีคืองดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและงดเว้นจากการเบียดเบียบนบุคคลอื่นในเด็ดร้อน วาจาก็จะอยู่ในสี่ประเภทเหมือนเดิมในทีน่นี้ท่านพระธานาจารย์ได้นิยามความหมายไว้ว่ากายประโยคหรือวจีประโยคคือหมายความว่าบางทีเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวทางทางกายก็ได้แต่ว่าเป็นการสื่อสารเช่นว่าให้สัญญาณมือให้มีการพยักหน้ามีการสันสีษะมีการประงกศีรีสะอะไรตไร่าง หรืออาจจะทําหน้าตาทําปากอะไรต่ออะไรคือมันทําได้เยอะครับในสื่อสารทางวาจาเนี่ยเราใช้กายก็ได้ใช้วาจาก็ได้ฟันธัญจึงบอกว่าอาจจะเป็นกายประโยคหรือว่าจีประโยคคือการกระทําด้วยกายหรือกระทําด้วยวาจาแต่ว่าผลที่มองเนี่ยคือจะมีลักษณะที่หักรานประโยชน์บุคคลอื่นของผู้ที่มุ่งจะพูดให้ปิด ก็คือมุสาวาดเป็นเจตนาของผู้พูดให้ผิดต่ อ, อคนอื่นด้วยประสงค์จะให้เข้าใจผิดหลงผิดกข้ใจผิดเพรา ะ, ะน่นา จ, จะออกทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้จะมีการพยักหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการปฏิเสธหรือว่าเป็นการรับรองในเรื่องที่ไม่จริงก็ได้หรือว่าพยักหน้าไปเสดิเรื่องจริงก็ได้เพื่อเห็นว่า ผู้ฟังที่ได้เห็ น, นจะเกิดความสับสนบางครั้งก็แสดงว่าเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้หมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั่นเองแล้วก็คนฟังแล้วเขาเข้าใจเรื่องเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้คิอว่า เป็นการพูดแต่โดยลักษณะเจตนาของผู้ประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายก็ได้ทางวาจา ก, ก็ได้แต่สรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการพูดเท็จแตการพูดเท็จเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่อง รู้ความจริงแต่ว่าเจตนาจะบิดเบือนข้อมูลเหล่านั้นบางทีก็อาจจะเกิดจากความไม่รู้บางทีก็อาจจะเกิดจากอคติคือลำเอียงเพราะรักใคร่กันบ้างลำเอียงพราะไม่ไม่ชอบกันบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างลำเอียงเพราะโง่เขลาเบาปัญญาบ้างคือสาเหตุมันจะเกิดได้เยอะ โดยเห็นว่าทั้งราคะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะนี่เป็นเหตุให้พูดเท็ดได้ทั้งนั้นบนวาจาที่สื่อสารออกไปจึงมีความสลับซับซ้อนเมื่อเราสืบสาวถึงที่ไปที่มาถึงเบื้องหลังของคำพูดเราเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามุสาวาดเนี่ยไปอยู่แม่ระดับของมนทินมนทินเก้าประการเนี่ยมีมุสาวาด่ด้วย ท า, ทางที่ข้ออื่นเป็นเรื่องของมนโนกรรมแต่ว่าก็มีวจิกรรมปรากฏอยู่เพราะอะไเพราะเรื่องเท็จเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องใหญ่มากคือข้อมูลข่าวสารได้รับการละเลยปฏิเสธและบางครั้งบางคราวจะเกิดเสียหายที่รุนแรงคือเรามอ ง, ถ, งถึงเรื่องเหล่านี้ว่าในปัจจุบันเนี่ย คือคนไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวโทษของมุสาวาทเท่าไหร่การโกรหกในลักษณะต้องๆเนี่ยมันปรากฏให้ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆบางครั้งบางคราเราอา่านบทความหนังสือสารมวลชนโดยเฉพาะยิ่งขึ้นหนังสือพิมพ์เป็นบทความที่พอเราอ่านแล้วเราเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นเรื่องไม่จริง แล้วก็ไม่เป็นธรรมไม่เกิดประโยชน์คือไม่เป็นธรรมต่อคนที่เราพูดถึงมาจจะเกิดเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ว่าเป็นการหักรามผลประโยชน์ที่คนอื่นพึงได้พึงถึงเปนสื่อสารเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังทุกวันแต่ว่าคนไทยเราก็มีจุดอ่อนคือไม่ค่อยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น มักจเลื่อนไหลไปตามกระแสของสารที่มีการนำเสนอกันอย่างเคยตั้งข้อสังเกตให้เนี่ยบอกว่าอยา่างมีพิธีกรทางวิยกกทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเอาบทความจากหนังสือพิมพ์มาอ่านเป็นตุปเป็นตะก็มีทุกเชา้าอ่ะทุกเชา้าทุกกลางคืนก็เรียกว่าตลอดคือข่าวใ น, นส่วนใหญ่มันก็อ่านมาจากหนังสือพิมพ์หรือว่ารายงานจากท้องถิน่น ซึ่งจะให้ถือว่าเป็นข่าวที่สมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้แม้จะรายงานตามที่ตนประสบก็ตามคือเราไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของข่าวเหล่านั้นเราก็รายงานเฉพาะเรื่องที่มันปรากฏแล้วก็พูดไปตามที่เราได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบซึ่งแน่นอนเรื่อง สัจจะวาจาก็ถือว่ายัางเป็นสัจจะวาจาแต่ว่าถ้าเราถือเป็นหลักความจริงไปเลยเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเราก็ถือว่าเป็นข้อมูลระดับหนึ่งแต่อย่าถึงกับปรงใจเชื่อไปในทันทีทันใด <c oughs> ตัวนี้เราเราเเห็นลักษณะของปัญหาว่าคราวๆต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเสื่อมเสียของบุคคลอื่น มันจะใช้อารมณ์ในการซ้ําเติมเหยียบย่าซ้ำเติมมันเกิดมาจากวิหิงสาหรือพอพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นส่วดมากก็จะเชื่อไปทั้งร้อยแต่พูดเรื่องดีของบุคคลอื่นก็จะไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าใจมันมีริษยามันมีแข็งดีแล้วจะมีโทสะอยู่ก่อนก็ได้ดังวจีที่ เรียกว่าเป็นมุสาวาทเนี่ยมาเราดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพุทธเทศว่าเป็นการหักรานทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นมากหรือน้อยถ้าทำลายมากก็ถือว่าโทษมากทำลายน้อยก็โทษน้อยยกตัวอย่างง่ายๆอย่ะเช่นปาราชิกสี่ข้อของพระพุทธเจ้าที่สรงบัญญัติแก่พระภิกษุ คือในข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือพูดอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงแก่บุคคลอื่นนะฮะทำให้หลงผิดเข้าใจผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่รุนแรงทรงอุปมาถึงม้าโจร ทรงจะแยกม้าโจรออกไปเป็นสี่ประเภทแล้วประเภทที่อวดอุตริมรสธรรมเนี่ยถือว่าเป็นม้าโจรที่มีความรุนแรงและก็เป็นอันตรายมากเพราะอะไรเพราะเป็นการหลอกลวงคนอื่นก็หลงผิดเข้าใจผิดนึกว่าตนเป็นพระเดียบุคคลแล้วก็นำํำทรัพย์สินเงินทองมาสักการะบูชาผู้จาอะไรก็เป็นเรื่องถูกต้องไปหมดดีไปหมด ลงุงศิษย์ก็จะทุ่มจัท ธ, ธาลงไปไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นพระอราหารันต์เพราะนันสงแสดงคนประเภทนี้ว่าเป็นสุดยอดของหมาโจ์ในโลกเพราะป้นปล้นจิตวิญญาณของมนุษย์นะแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อความคิดเหล่านั้นถ่ายทอดไปหลายชั่วคน เป็นเรื่องไม่ได้เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยความคิดแบบเทวทัตยังปรากฏอยู่ความคิดแบบพระที่คมนิสต์ยังปรากฏอยู่ความคิดที่ไปสรุปรวมในมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองประการก็ปรากฏอยู่ในสังคมก็ถือว่าเป็นมรดกบาปทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ไม่อยู่นิ่งมันแพร่มันระบาดมันกระจายออกไปก็ถือว่า หักรานทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นมากพระาะ จ, จะทำให้คนหลงเชื่อเนี่ยตกนรกหมกไหม้ไปด้วยก็ได้มันก็คล้ายๆกับพระเทวทัตที่พาลูกศิษย์ตกนรกไปเป็นแถวอ่ะคนเหล่านั้นก็เชื่อพระเทวทัตแล้วก็เชื่อว่าพระเทวทัตเป็นพระอระหันด้วยนะบางคนยกย่องเสมอพระพุทธเจ้า แล้วก็แสดงให้เห็นว่าพอเทวทัต พ, พูดอะไรมันกลายเป็นถูกหมดแล้วก็กลายเป็นมรดกบาปที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะงั้นมุสาวาทในลักษณะนี้ก็เรียกมีโทษมากเพราะว่าไปหักลานไปริษรอนผลประโยชน์ต่างๆของบุคคลอื่นมาก ทีนี้ในกรณีของชาวบ้านเนี่ยท่านบอกว่าสำหรับคือหัสมุสาวาที่เป็นไปแล้วโดยในที่มีอาที่ว่าไม่มีเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่คนอื่นมีโทษน้อยเพราะว่าเราไม่ถักรานผลประโยชน์ใครอะ่ะคือไม่ศรัทธาจะให้มันก็คือไม่ให้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นพยานเบิกความเท็จในโรงในศาลทำให้คนไม่ผิดกลายเป็นคนผิดคนไม่ควรจะติดคุกต้องติดคุกเนี่ยก็ถือว่ามีโทษมากทีนี้สมัครสํัห ร, หรนักบวชมาพระเนะี่ยมุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยในแห่งบุรกถาคือพูดให้เต็มความ หรือเล่นสำนวนวันนี้นะ้ำมันในบ้านเห็นจะไหลแต่เป็นแม่น้ำโดยประสงค์จะให้วัวราอและในขณะเดียวกันก็เรียบเคียงอยู่นิดๆ น, นะคือขอกายกลายก็เรียกว่าปริกถาคือเรียบเคียงมันก็ถือว่าหรือพูดสิ่งที่ ในกรณีนี้ก็ถือว่ามีโทษน้อยนะฮะแต่ว่าในกรณีที่พูดสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ว่าตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เนี่ยก็ถือว่ามีโทษมากเพราะในแนวอุสาวาะเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาในสมาธิจิตสูตรนะ แต่พอดีก็คือจากการฟังข่าวฟังวิทยุก็ดีอ่านหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือแม้แต่ฟังรายการต่างๆก็ดีเราก็เห็นว่าบางเรื่องก็มุสาวาดกันเฉยๆมากคือน่าจะดูน่าจะเอาเกณฑ์เหล่านี้ไปเทียบเคียงไปเทียบเคียงทึ้งเรื่องที่ตัวเองพูดมุสาวาดเนี่ยประกอบด้วยองค์สีนะ คือหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงคือบางที่เรารู้อย่างในกรณีของการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยรู้แสนรู้นะฮะที่จริงแล้วมันอยู่กฎหมายมาต ร, ราเดียวเลยทําไปคืออยู่เฉพาะมาต ร, ราสิบการแต่งตั้งสังฆราชเนี่ยสมเด็จสังฆราชอยู่ในมาต ร, ราเจ็ดแล้วเป็นพระราชยำนาจซึ่งผูกโยงอยู่กับราชประเพณี แล้วก็ไปหกโยงอยู่กับรัฐมนูญฉบับทุกฉบับมันมีอยู่ทุกฉบับเป็นพระราชอำนาจที่จะพระราชาาทานฐานันดรศักดิ์เหรียญตราชั้นยศอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นพระราชอำนาจเฉพาะพระองค์ไม่ได้เกี่ยวอะไร ก, การแต่งตั้งเลยอา่านยังไงก็ไม่เห็นว่าเป็นการแต่งตั้งเลยแต่ก็พูดกันได้ทั้งสองปีคือเราเห็นว่าจริงๆในเรื่องไม่จริง แล้วเมื่อพูดกฎหมายเราต้องไปอ่านกฎหมายด้วยกฎหมายนันว่าย่งไงคือจริงก็จริงตามกฎหมายอะมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเราเอาจริ ง, ยงอย่างอื่นมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกเพราะว่าในกรณีเขาพูดเรื่องกฎหมายเขาอ้างอะไรชัดเจนอ้างมาตราอ้างวรรคชัดเจนมากเลยไม่มีอะไรที่น่าข้องใจไม่มีอะไรที่น่าสงสัยถ้าไม่รู้ก็มันควรจะศึกษาสำเนียก ทีนี้ถ้าขาศึกษาสําเนียกมันก็ไม่ควรจะพูดเพราะเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคือพูดได้ไม่ง่ายคือถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็ไปไปไปพูดอะไรไม่ได้ละถึงแม้ชัดเจนบางทีมันถ้เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดไปทําอะไรแล้วมันก็แพร่กระจายออกไปโดยอาศัยคนพูดเนี่ยเป็นหลัก แล้วบางทีเนี่ยเราเห็นว่าสังคมเราที่อ่อนแอเนี่ยเคยเคยสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ทางกีตาวิทยาด็อกเตอร์ทางมาแมล ง, งนะฮะโอยพูดปรัชญาอะไรต่อะไรเยอะอะไรรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรต่อะไรเยอะมากแล้วคนก็ไปเชื่อหมดเนื้อเขารอ บ, บรู้เขาเก่งก็แตกฉานบางทีเป็นหมอเนี่ยพูดระดับ นโยบายระดับรัฐศาสตร์ระดับปรัชญาอะไรที่ลึกซึ้งออซึ่งว่าที่จริงเขาไม่รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ไปเชื่อนี่คือสิ่งที่มีปัญหาเพร้ะพระถ้าจะเชื่อเมื่อก่ในเรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องหลักต่างๆที่ไม่ลึกซึ้งมากเกินไปถ้าหลักหลักเราอื่นนะเพราะยังไงเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรหรอก เราสามารถจะยกขึ้นมาเทียบเคียงอะไรได้แต่่าสาให้ลึกจริงๆเนี่ยก็สาไม่ได้เพราะเราเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงเราต้องรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงและตั้งใจจะพูดพูดให้ผิดจากความจริงบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพราะในในพวกนี้ในวินัยของพระเนี่ยจะจะส่งอธิบายไว้ละเอียดมากแล้วก็มีประเด็นที่ซ่อนเร้นอยู่ต่อจากตรงเนี้มันจะเกิดเกิดถ้าหากว่ารั ก, รกษาสัจจะได้เนี่ยความดีอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามพูดออกไปไอ้ทีมีตอนพยายามพูดเนี่ยมันใช้เอกสารก็ได้ใช้สื่ออย่างอื่นก็ได้ใช้มือใช้ อวัยวะดวงตาบุ้ยปากวิยวปากอะไรพยักหน้าสันศีษาอะไรก็ได้ไอตัวคว่าพยายามพูดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพูดเสมอไปแต่ว่าสื่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนตามความจริงที่เรารู้มาหรือตามเป็นจริงแล้วคนคนคนฟังเนี่ยเขาเข้าใจข้อความเหล่านั้นเพราะาเราเห็นว่า ประโยชนี่มีประโยคเดียวคือเราต้องทําเองเราต้องทําเองแต่ว่าให้เราสังเกตว่าอในการที่เราทําเองนี่เช่นเช่นเ ช, นชนสมมุติว่าอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านแล้วก็ลูกขอรับโทรศัพท์ลูกขอรับโทรศัพท์แล้วเราก็ไม่ต้องการจะพูดด้วยเราก็บอกลูกว่าให้บอกว่าแม่ไม่อยู่หรือพ่อไม่อยู่ มันเป็นเป็นสหัสดีกระประโยคคือหมายความว่าเราพูดเองเด็กก็ถ่ายทอดเฉพาะที่เราบอกเฉพาะที่เราบอกแล้วบางทีเด็กแกก็ใส่ซื่อนะฮะแกบอกว่าแม่บอกว่าแม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่อันนี้ก็คือโกหกนะจริงเราก็โกหกเองไม่ใช่เด็กโกหกแทน เด็กบอกตามที่เราบอกให้แกพูดเวลนี้เราจะเห็นว่าก็จะใช้กันเฉยๆคือไปเสด็จกันกันเฉยๆหรือว่ายืนยันกันเฉยๆง่ายๆคือถ้าเราจะฟังรายการทางวิทยุก็ดีหรือดูรายการโทรทัศน์ก็ดีที่มีสาระแกนสารเนี่ยต้องเลือกคนเยอะนะบางทีมันไม่คุมเลย ประวุธที่ภาวะเขาอ่อนร้อยเกินไปที่จะไปเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้งอย่างนั้นพรามุสสาวาทเนี่ยมันเตลิดเปิดเบิงไปกันใหญ่เลยจนถึงเป็นอุตริมนุสธรรมอวดอุตริมนุสธรรมอย่างที่ว่านังการแสดงกริยาที่ให้พูใ้ใดคนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยออกมาทางกายก็ได้ทางวาจา ก, ก็ได้ทางกราบ ประการต่อไปเขาเรียกว่าปิสุณะวาจาหรือปิสุนาวาจาแปลว่าวาจาที่ที่โสเสียรประตัาจา์ท่านนิยาไมไหมว่าวาจาที่เป็นเหตุให้หัวใจของบุคคลผู้ที่ตนพูดด้วยเกิดความรักตนและเกลียดชังคนอื่นชื่อว่าปิสุณะวาจาหรือปิสุนาวาจาแปลว่าโเสีย ลักษณะสเสีเยดก็คือนาความข้างหนึ่งไปบอกอีกข้งหนึ่งเพื่อมุ่งเรียกว่ายืมดาบฆ่าคนเนี่ยเพื่อมุ่งไห้คนสองฝ่ายในทะเลาะ ก, กันหรือขัดแย้งกันแต่เราอาจจะกินทั้งสองด้านก็ได้หรือเกิดขึ้นจาเจตนาเบียดเบียนก็ได้เกิดขึ้นจากความกลัวก็ได้ เกิดขึ้นจะรับจ้างก็ได้ก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวเหตุนี่มันมาจากอะไรในการการการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยคือเรียกว่าฐานข้อมูลต้องดีมากแต่มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือวิธีของคนเราทั่วไปเนี่ยนะขาเรียกว่าคิดแล้วพูด แต่ว่าวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคิดก่อนแล้ว ก, ลววกล็ลงมือวิเคราะห์ตรวจสอบพินิพิจณาศึกษาหาไอ้ทางต่างๆลงมือทำลงมือวิเคราะห์ลงมือตรวจสอบลงมือสอบทา น, นได้แน่ใจแล้วค่อยพูดทีหลังแต่ว่าตามปกติแล้วเราเรามักพูดไปก่อน โดยไม่ได้มองถึงความเหมาะสมความถูกต้องถึงเหตุถึงผลเพราะการสูญเสียจึงเปลียนกิจกรรมที่หากินได้อย่างนี้เอาไม้ไปจ่อแล้วก็ถามมาท่านผู้นั้นว่าว่าท่านอย่างนี้อย่างเงี้ท่านว่าอย่างไงเอาต่อไปแล้วจริงทฤไม่รู้เลยต่อไปแล้วคือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ถูกปั่นหัวหทะเลาะ ก, กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการเมืองเนี่ย วงการเมืองบางทีเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียดแนวตัวเนี้ยมันมันจะเกิดขึ้นเนยอะทาให้คนทะเลาะ ก, กันโดยไม่มีเหตุมีผลมีความขัดแย้งกันแล้วก็เสียคือชาติบ้านเมืองในี่เสียผลประโยชน์ปนัญหาความแตกแยกสามัญคีธรรมเนี่ยมันเกิดมาจากพวกนี้แหละเกิดมาจากการบิดเบือนข้อมูลหรือว่า อีการกระตุ้นเร่งร้าวมาจากสื่ออื่นโดยมุ่งที่จะให้เกิดความแต่แยกเที้ยนเพระวาจาสอดเสียดอาจจะอ่อนหวานนะฮะวาจาพอเสียดอาจจะอ่อนหวานแล้วไเระ่ะสนอหูสละสลวยทีเดียวเพราะถ้าใครหลงติดกับตรงนี้แล้วอันตรายท่านจิงบอกว่าวาจาที่เป็นเหตุทาให้ตนเองบ้างผู้อื่นบ้าง หยาบคายและวาจาที่หยาบคายเองคือไม่ไปรอสูตรไม่ชื่นใจก็ชื่อว่าวาจาหยาบวาจาหยาบเนี่ยก็ตาปกติแล้วใจต้องหยาบด้วยนะวาจาใจใจต้องหยาบหยาบด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพระรุศวาตรพระรุศวาตนั้นพรเจ้าได้จงแสดงไว้ว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีขวานติดปากมา ทีนี้เรามีขวานเนี่ยมันก็อยู่ที่เราใช้ขวานอะไรขวานนี่ยเขาเป็นกลางๆอะ่ะมันอยู่ที่วิธีใช้กับเราเราใช้ทําประโยชน์ได้มหาศาลนะเราก็ขาดขวานไม่ได้มีเยอะที่เราจะต้องอาใส่ขวานแต่ถ้าเราใช้ไม่เปลี่นมันก็เป็นอันตรายแต่ก็สรุปว่ามันก็ติดปากคนมานี่ ที่นีวาจาอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าบาลีไม่ใช้คําว่าวาจาให้เราสังเกตว่ามุสาวาทะมุสาวาตแล้วก็ปิสุนาวาตแล้วก็พลุสวาตวาทะต่างๆวาทะแต่พอถึงคําเพอเจอเหลวไรลรายสารานเนี่ยไม่ได้ใช้ แต่ว่าเป็นคำเพอเจ้อคือหาสาระประโยชน์แกนสารอะไรไม่ได้ทีนี้ปัญหาว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อย่างอย่างการโซเซียลน้นำไปสู่สังคเพทได้เลยนะนำไปสู่ความแตกแยกกันได้เลยนำไปสู่การปลุกปั้นยุยงให้เกิดความแตกแยกกันในชาติบ้านเมืองก็ได้ มันจะเรื่องธรรมดาคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องศีลธรรมเป็นปัญหาใหญ่มากมาที่สุดในสังคมและถ้าเราจับกลุ่มได้เราเห็นว่ามันก็อยู่ในนี้แหละมันก็อยู่ในสัมมาวาจ a สัมมากัมมันตะสัมมาสีวะเนี่ยมันจะอยู่ที่อื่นหรอกมันอยู่กันตรงเนี้ยที่ออกมาเป็นเชิงพฤติกรรม แต่แน่นอนมันก็สะท้อนมาจากความเห็นผิดความคิดผิดความพยายามผิดระลึกผิดตั้งจิตไว้ผิดมันก็มันก็ไปเป็นแถวแหละแต่ว่าที่ออกมาเป็นพึงชงพฤติกรรมเป็นรูปธรรมคนอื่นก็สัมผัสได้เนี่ยมันจะเป็นระดับของสินธรรมในความเป็นวัจาสเสียดจะมีโทษน้อยหรือมีโทษมากเนี่ยดูที่ว่า ผู้ที่เราทำให้แตกกันเนี่ยมีโทษมากหรือมีโทษน้อนนยเช่นไปยุยงบ่อนทำลายคนที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยจะมีโทษมากเช่นว่าไปยุยงปลุกปั่นให้นักปราชญ์นักวิชาการนักการาศาสนาอะไรต่อะอะไรเนี่ยเกิดความขัดแย้งกัน ปุณณีต้องระมัดระวังตัวเองกันนะอัตราเรื่องบรรก่อนบรรยายให้หนักศึกษาเป็นยายเอกเอฟังก็บอกว่าให้ระวังให้ดีคือเราเรียนสูงขึ้นไปไปในสายของศิลปะคือเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ย ที่ต้องระมัดระวังมากก็คือว่าเมื่อเรียนไปเรียนไปแล้วตัณหาจะเพิ่มขึ้นมานะจะเพิ่มขึ้นทิฏฐิจะเพิ่มขึ้ น, นซึ่งจะ ต, ต้องระมัดระวังมากแล้วก็ทางที่ดีแล้วควรจะลดควรให้ตัณหามันลดลงมานะลดลงทิฏฐิลดลงเพื่อใช้ผลประโยชน์ที่เราได้จากชาติบันเมืองเนี่ยโดยการเรียนมาจนถึงปลายเอกเนี่ย ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสนองคุณแผ่นดินสนองคุณแผ่นดินแม่มันก็จะได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราใช้ความรู้ความสามารถของเราไปโอบโกยสแสวงหาผลประโยชน์ดูดรัพย์เข้าไปสู่ตนเองพรกคพวกของตัวเองจนคนอื่นที่เสี่ยวไปหมดอย่างนี้ก็ยาแล้วผลสุด ท, ท้ายทรัพย์สมบัตินั้นเราก็นําไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ ทำไปเฉพาะความชั่วบาปกรรมที่เราทำออกมาทางกายทางวาจามาจากความคิดที่ผิดทีนี้ในปิจุณาวาจาเนี่ยปิจุณาวาจามันก็มีองค์ประกอบสี่ประการคือผู้ต้องถูกทำลายเป็นคนอื่น ความมุ่งหน้าจะทําลายด้วยประสงค์ว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้แตกแยกจากกันด้วยบายอย่างนี้หรือประสงค์ว่าเราจากเป็นที่รักเป็นที่คุ้นเคยคอของเขาด้วยบายอย่างนี้คือเจตนาเบียดเบียนก็ได้เจตนาประจบ ก, ก็ได้หมายความว่าทาด้วยโทสะก็ได้ทาด้วยโลภาก็ได้แต่ว่าคนอื่นเสียประโยชน์ตัวเองจะได้ประโยชน์ แสดง้วงความเห็นแก่ตัวสแสวงหาผลประโยชน์บนความพินาศเดือดร้อนของบุคคลอื่นแล้วก็ความพยายามที่เกิดจากความตั้งใจอย่างนั้นพยายามยังไงก็ไม่รู้แหละก็หลายวิธีเหมือนกันนะบางทีพวกอินเทอร์เนต็ตอะไรแต่ไรเนี่ยอามายัางยังไม่ได้เคยดูนะเพราะว่าใช้อออคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็น แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูเรื่องเหล่านี้ด้วยแหละแต่ที่ฟังที่เขาเล่าเนี่ยเราก็มองเห็นมาเอออันนี้มันจะมีคุณต่อโลกอนันต์มากถ้าใช้เป็นแต่ก็มีโทษมหาหนมากเหมือนกันเพราะาอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่รู้ใครเปิดอะไม่รู้ใครเปิดอะใครดูคือเป็นการรับข้อมูลโดยไม่รู้ข้อมูลเนี่ยใครเป็นคนป้อนมาเราไม่รู้แหล่งที่มาของข้อมูลนะฮะแต่เรารับ ด้วยตัวของเราโดยลําพังแล้วก็ซึมซับก็ไปแล้วไปตัดสินชี้ผิดชิถูกซึ่งเรามองคล้ายๆกับเหตุการณ์ในพฤษภาธมิทแต่ลองสังเกตว่าโทรศัพท์ที่เราได้รับแต่ไม่รู้ใครโทรใบปลิวที่แจกว่อนไปหมดแต่ไม่รู้ใครแจกแต่คนรับได้เชื่อหมดเลยทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาได้บ้านเมืองปั่นป่วนหมดเลย เวลานี้มันก้าวหน้าไปนะะอินเทอร์เนต็ตถ้าใช้เป็นในการปลุกระดมสร้างความปันป่วนขึ้นในศาสตร์บ้านเมืองพวกเข้าไปเป็นร้อยๆยประเทศเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆาอะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าสื่อที่สร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยมันไปไม่ไกลฮะสื่อพวกนี้ไปได้ไกลมีพวกเขาบอกมาทางสหรัฐอเมริกาว่ารับชัดเจนมากกลางคืนเนี่ยรับชัดเจนมากๆ คนเหล่านั้นเนียรับแล้วก็คิดยังไงก็ตัดสินใจก็เก็บสะสมมาไว้รอเวลาระเบิดเปรี้งปั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบหรอกผลเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองไม่มีคนรับผิดชอบแต่จะมีคนจ้องมากอบโกยตักตวงผลประโยชน์ในานามของวีรชน บทเรียนซ้ำซากในบ้านในเบืองเราเนี่เกิดขึ้นซ้ำซากและจากสอเสียดเนี่ยโกหกทั้งโกหกทั้งสซเสียดทั้งคำหยาดเดี๋ยวทั้งพเพจมาหมดทั้งชุดมาเลยเพราะบทบทเรียนถ้าเรามองกลับไปมองเหตุการณ์สิบสี่ตุลาก็ดีหกตุลาก็ดีพฤษภาธามินก็ดีหรือแม้แต่เหตุการณ์ก่อนกรุงแตกอะไรต่างต่างเหมือนกันฮรเป็นเหตุการณ์เดียวกันหมดเลยมาจากวิธีทุจริตแน่นอน ตัวต้นเหตุคือมนุษย์ทุจริตแต่การที่เราสัมผัสเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของวิงจิตุจริตเพราะงั้นในาองสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยผู้ฟังเข้าใจประรุสว่าคือคำหยาบคำด่าทั้งหลายเนี่ยที่มุ่งความเสียหายมุ่งความเจ็บใจมุ่งความคับแคนมุ่งความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นแต่แน่นอนว่าพวกนี้มันก็ เป็นการตัดรอนทำลายผลประโยชน์ต่างๆที่บุคคลเหานั้นควรจะได้เช่นเดียวกันเพรา ะ, ะนันพวกนี้จะถามว่ามีโทษน้อยก็เพราะว่าผู้ที่เราพูดหยาบเนี่ยมีคุณน้อยจะมีโทษมากเมื่อคนที่เราพูดด้คำหยาบมีมีคุณมาก ซึงบางครัง้งบางคราวเนี่ยถ้าไปแรงๆนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระปินทวัชชะท่านถามคือท่านท่านานันพูดไม่เพราะเป็นวาสนาของท่านมีคนก็บรรทุกผานไถยไปขายท่านถามว่าบรรทุกอะไรจะถอยไอ้นอนทยัวเข้ามาหลวงพ่อนี่พูดยากมากบอกบรรทุกขี้หนู ท่านบอกคิดหนูก็คิดหนูแล้วเป็นคิดหนูจริงๆนะฮะไปโกโหกพระอรหันต์เพราะงั้นเราเห็นว่าถ้าคุณมากและก็ชัดๆมากเลยหรือโสรโรยะบุตรเศรษฐีนี่คิดไปในธรรมนองว่าให้พันยาของตัวเองสวยงามแบบพระมากระใจชนะเพศตัวเองกลับ เพราะคำหยาบเหล่านี้ถ้าเราไปกล่าวกับคนที่มีคุณมากๆแล้วเนี่ยพ้นมันประจกรักษ์ไกลๆเป็นเรื่องที่่าต้องต้องระมัดระวังทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกน่วงเหนียวไปสู่นรกพระเจ้าทรงชายก็มันน่วงเหนียวไปสู่นรกได้ป ร, รุสว่าจริงจริงมันมีอยู่สามลักษณะคือคือคือเขาเรียกอง ค, คือผู้ที่จะต้องถูกด่าเป็นคนอื่น แล้วก็พูดด้วยจิตที่ขุนเคืองแล้วก็ด่าออไปก็หมายความว่าก็ต่อหน้านะฮะเรื่องนี้ก็ด่าทางโทรศัพท์ก็ได้ด่าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ด่าทางอะไรก็ได้ก็คือด่าได้กันนั่นแหละทีนี้ไอ้คำเพื่อเจรวญหลายรายสาระทั้งหลายเนี่ยบางการจะมีโทษน้อยหรือมีโทษมากมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราพูดด้วยเช่นเดือวกัน คือคนบางคนเนี่เราไม่ควรพูดเล่นไม่คว ด, ดีสำนวนโวหารกับท่านในในฐานะนั้นๆเนี่ย น, นะอันเราจะเห็นว่าสัมปปาระบาจึงมีอยู่สองสองละะนะักษณะคือความมุ่งหน้าที่จะพูดถ้อยคําร้ายประโยชน์ร้ายสาระประโยชน์แล้วก็กลา่าวถ้อยถ้อยเช่นนั้นออกไปทีนี้คือเรามองถึงว่า เรื่องเนี่ยอย่าไปติดใจในเรื่องหรือแม้แต่ที่พระตถาจารย์ท่านพูดเนี่ยคืออย่าลืมว่ามันมันเราต้องมองข้อท็จจริงในแง่มุมประวัติศาสตร์พอพูดกระพรามเนี่ยมันขัดแย้งกันเพราะเรื่องของพราหมณ์ที่จริงถ้าเป็นตัวอย่างเรื่องราวต่างๆเราก็ดูในชาดกเราดูในธรรมบทเราดูในเทระคาถาเทรีกาถาในพุทธวงศ ในเปตวุถุวิมานวัตถุเมื่อเรื่องคนทั้งนั้นน่ะเราหยิบมาเป็นประเด็นในการสื่อสารธรรมะมันก็เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่วิธีการสื่อสารเช่นสมมุติว่าเราเอารามเกียร์มาเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนรามเกียร์จะยิงเทศได้นะถ้าเราเข้าใจว่านี่คือธรรมะที่สําเร็จรูปแล้ว มีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วเป็นกระบวนการของกรรมที่มีความชัดเจนในตัวของมันก็มาพูดได้หรือยกตัวอย่างได้แล้วก็เช่นเดียวกับพวกนิทานชาดกอะแต่ว่าสำคัญว่าผู้พูดพ่ผูพ้พูดฟังเนี่ยจะรับประโยชน์หรือไม่ไอ้ น, นี่คือคือประเด็น ยังไม่เนื้เรื่อแม้แต่อย่างอย่างกรณีอของการถามปัญหาอะไรแต่หลายต่างอย่าเราจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างนี่ต่อไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็พิสูจน์อะไรไม่ได้จนว่าภาษาดีบุตรท่ทานนับฝนที่ตกในจั ก, กรวาลได้ว่ากี่เม็ดเนี่ยท่านนับยังไงท่านใช้อะไรเนี่ ย, นน ย, รยรเราไปรู้ได้ไงแล้วสมมติว่ารู้แล้วใครจะไปเชื่อว่าจริงหรือไม่จริง เราไม่ใช่ภาษาดิบุตรเราไม่ใช่พระอาหารหันเราไม่มีญาณขนาดนั้นจะไปรู้วาระจิตของพระอาหารหันแต่ว่าเป็นการถามเพื่อต้องการจะอวดภูมิตัวเองจะ ต, ต้องนึกว่าผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพูดไปก็ไม่มีคนเชื่อหรอกเพราะเราไม่ใช่พระอาหารหันและคําถามเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ของพศาสนาก็ไม่มีใครเคยถามภาษาดิบุตรว่าท่านท่านนับได้อย่างไง ไม่มีใครเคยถามอันนี้พอเราดูแล้วโดยสาระธรรมันก็กลายเป็นเรื่องเพ้อเจอคือไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็พูดปายก็ถกเถียงกันต่อปัญหาในบ้านในเมืองเรามีเป็นอันมากที่พูดซ้ำซากพูดกันแล้วพูดกันอีกแต่ไม่เกิดสารัประโยู่อะไรเพราะก็จริงแล้วเนี่ยคนฟังเขาก็ไม่เชื่อ อย่างแม้แต่เรื่องที่เป็นประโยชน์อย่ามาเวลาไปไปอบรมชาวบ้านโดยทัว่วไปอะตามบริษทัททางร้านอะแต่ะไรต่างเราจะพูดอยู่แถเนี้แต่อาธากรรมแถวหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของสามีพรนยาหน้าที่ของเพื่อนกับเพื่อนหน้าที่ของผู้บังคับบัญชากับผู้ได้บังคับบัญชาคืออยู่ในแวดน บ, บุญตัวนี้มันเป็นวิถีชีวิต แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้สดรับกับพื้นฐานของเขาอ้าวพอไปถึงทหารเราพูดในประเด็นหรือสาระถะของเขาคือสละชีพเพื่อชาติเราพูดกับตำรวดเราก็พูดในประเด็นสาระถะของผู้พิทัก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ์สันติราชเราพูดกับข้าราชการฝ่ายปกครองเราก็พูดในประเด็นของบําบัดทุกบํารุงสุขแต่วิธีสื่อสารนี่สื่อสารยังไงก็ไม่รู้ผู้ฟังให้ได้รับประโยชน์โดยวิธีใด เราก็ใช้สื่อสารกันไปในวิชาในวิธีนั้นแต่ว่าเรื่องจะไม่กระโดดลอยไปจากตัวคนเพราะกระโดดลอยไปไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีเรื่องเยอะนะที่ที่เราเราพูดไปเนี่ยวุฒิภาวะคนระดับนี้ไปพูดเรื่องระดับนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเช่นสมมุติว่าพูดกับ ก, บกรรมกรเนี่ยไปอธิบายอริยมรรคมันไม่ไหวหรอก มันเอาแต่ว่าทำทำไงอนะให้ขยันให้ประหยัดให้อดทนให้อย่าตกเป็นทาสของสิ่งเสีติดอย่าไปเล่นการพรนันอะไรแถวเนี้ยนะใช้ยานพะนะนอย่าประมาทเพราะว่าบ้านเราตัวเลขคนตายเพราะประมาทจะมันเยอะเหลือเกินเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้คือพูดไปแล้วมันมันมันเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วก็เหมาะสมกับเขาอะกลุ่มของเขา เราก็ยากย้ายเปลี่ยนแปลงไปต้องฝั่งทั้งหล า, ายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบุ์ในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี